สออย่างแล้วแต่จะเลือกครับพูดทะเลทรายไว้เลยเนะี่ยวันหนึ่งท่านไปเห็นเนี่งูเขียวหางไหมนะครับซึ่งชาวบ้านที่เล่ามือื่นมากว่ากัดแล้วเนี่ยไม่รอดครับสามชั่วโมงนี้ก็ตายนะผมกำลังวาดรูปอยู่ท่านให้เนนไปตกรกอเรียกว่ามาดูอะไรบางอย่างอผมก็ลงมาจากห้างตอนนั้นเขียนรูปเพาดานอยู่ พอไปที่ท่านยืนอยู่ท่านชี้ดูอูเขียวหางไหมครับท่านบอกนี่มันสวยไม่ใช่น้อยเลยนะท่านยืนใกล้มากนะ บ, บอกเนี่ยมันคุณ ด, ดูสิเกรดมันสีทำไมสีมันสครับผมก็ขยันขยันอยู่แต่ก็ดูและประเิณสุนัขที่ตามท่านวันนั้นวิ่งกันไปหยียบอูข๋ขาวหางไหมนะฮะอู๋เขียวหางไหมนะฮะมันก็ไม่กัดมันช่างถมและสุภาพ ถ, ถ้านอธิบายนะบอกคุณดูมันไม่เคยมัน มันนู้นะไปว่ามันว่ามันน่ากลัวจริงๆมันไม่อยากกัดใครเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านชีย้เห็นนะครับภาษาต้นๆที่ผมอยู่ที่นั่นทน่านแนะบอกว่าให้ตื่นแต่เช้าตรู่ตีสี่นะฮะโดยเฉพาะยิ่งฝนปลมๆตื่นแล้วก็ไปที่ริมห้วยไปดูว่าปลาแล ะ, มะแมลงมันอยู่อย่างไรในช่วงที่เราหลับไหลกันอยู่ตลอดเวลาเราถือว่าใกล้ลุ่ง ฝนตกมันยิ่งสบายหนักใช่ไหมชักประหคมก็นอนหลับอุ่นไถ้าบอกว่าความลับมันอยู่ที่นี่เราต้องพลิกพลิกสถานการณ์การเวลาฮับบิตไอ้นิสัยของเราที่ก่อตัวขึ้นในกิจวัตรประจําวันในชีวิตประจําวันเพื่อจะเปิดเผยอีกด้านหนึ่งของชีวิตสมมติเรานอนตั้งแต่ช่วงนี้ช่วงนี้เราไม่รู้เรื่องนั่นเองงั้นท่านแนให้ทําเราเห็นว่ามีทุ ด, ดงอยู่หมวดหนึ่งที่เรียกเนศรรชิกทุ ด, ดงนะ อยู่สว่างไม่ใช่เพิ่ทางตาต่อสู้ความง่วงอย่างเดียวครับผมเข้าใจช่วงนั้นเป็นช่วงสงดวิเวกโลกทั้งโลกกำลังหลับลกุลกๆุกอบตัวนะท่านเคยเขียนไว้ในบางแห่งว่าพวกมแมลงพวกสัตว์ตื่นตื่นตาตื่นใจผมเคยทดลองปฏิบัติตามนะครับก็จะมีลำดับของเสียงนกร้องคึอเนศชิกไม่ใช่เพียงแต่ว่านั่งสู้ความง่วงไม่ไม่ใช่อันนี้ หมายหนึ่งหล่อเลี้ยงความสดชื่นไว้เพื่อรับทราบเพื่อสัมผัสโลกซึ่งเป็นความลี้ลับประดุดดวงจันทร์ที่หันอีกด้านหนึ่งมาสู่ดาวโลกซึ่งเราไม่ไเคยเห็นนะครับดังนั้นเราจะได้ยินเสียงแปลกแป ล, ก, ปลกไปทั้งคื น, นคส่วนใหญ่พระยินคำวัตถุดงนี่เราหมากมุงอย่างเงี้ยความรู้สึกลบต้องต่อสู้ทางตาทอรหดอดทนนะซึ่งมันไม่สามารถถวนาดวงจิตให้ใ ห, ใ, หให้มีสูนทรียภาพได้ สุขีภาพนี่ก็คือความรักนั่นเองครับความรักต่อความทุกข์ยากกุเพนความโดดเดี่ยวความไม่ยอมนี่ดวงจิตพังพินาศเพราะความร้ายซึ่งความรักในสั ญ, ญลักษณ์ที่สําคัญมากที่ใต้ต้นโพนะครับที่โดยคนทั่วไปคิดว่าการตรัสรู้สมมาสัพธิยานของพระเจ้านั้นเป็นอัจฉริภาพส่วนบุคคลใช่ไหมครับเราคิดว่าท่านเกิดเพื่อตรัสรู้แต่เราลองไปดูรหัสสัญญา ที่อาจารย์นุชโมราณนะครับพูดไว้ก็คือคือนั้นพระเจ้าช่วยตัวเองก็ได้เลยครับเพราะว่าท่านต้องผจนกับมานเพียงอธิษฐานบารมีเนื้อเลือดเถิอแท้งก็ตามทีใช่หมครับทุกคนคงจำได้แต่แล้วท่านพึ่งตัวเองไม่ได้ทิดามาณทั้งสามปรากฏขึ้นทิดาตนแรกชื่อนางราคาเราเข้าใจสัญลักษณ์ของราคาถูกครับ น, นางทสาคือทศสา ความชิงชังความเกลียดความขั้งแค้นันะฮะสิ่งอนี้เป็นอุปสรรคต่อพระโพธิญาตต่อการรู้แจ้งแต่เราจะไม่เข้าใจตัวหนึ่งชื่อนางอรดีครับอรดีแปลว่าไม่รักเรางงเลยครับว่าเอ๊ะไม่รักนี่มันจะไปช่วยจับสรูได้โดยที่เราเข้าใจว่าต้องไม่มีความรักมันจึงจะรู้แจ้งได้ถูกไหมฮะต้องมีอารมณ์รักแต่อาจารย์นุชราลาในเขาได้แสดงมติผมคิดว่าสําคัญอยู่อรดีคืออรตินะครับ ป ต, ติแตัตว่ารักปฏัติว่าไม่ผมคิดว่ามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนะอะความรักต่อวิถีชีวิตที่โดดเดี่ยวทุกยากหรือถูกทอดทิ้งไม่ยอมทำลายหัวใจตัวเองให้ให้สับสนไปกับไปกับสถานการณ์เลวร้ายที่แวดล้อมอยู่อรดีนะครับอรตีแปลว่าความไม่รักความไม่ปรงใจลงไปในที่หนึ่งที่ใดที่ ตัวเมีความรักเช่นรักต่อพุทธยานรักต่อการภาวนาอะไรองี้ดังนั้นจะเกิดมาดุสักขึ้นครับที่ดาว ม, มาทั้ง3 ส, สัมพันธ์กันอยู่เหตุที่ไม่รักก็เพราะว่ามัวแต่ราคะมัวต่โทสะนั้นความรักอันนี้เนี่ยไม่ใช่ความรักเฉพาะเจาะ จ, จงเ น, นหนึ่งเงินใดถ้าเฉพาะเจาะจงกลายเป็นราคะกลายเป็นตัวต้นใช่ไหมฮะซึ่งหนีไปพ้นจากโทสะถ้าพิจารณาวิเคราะห์ดูแล้วนีความรักที่นี้เนี่ยเป็นการแผ่กระจายไปสู่สรรพสัตว์ เมือ่อพระเจ้ากําหนดที่ดามานทั้งสามได้ที่ดามานทั้งสก็จบสิ้นบทบาทลงต่อจากนั้นก็เป็นบทบาทของแม่ธรณีครับนั้นการสัตว์รู้ของพระเจ้านี่ผู้ที่มีบทบาทสูงที่สุดคือแม่ธรณีลุกขึ้นบิดมวยผมจําได้ไหมฮะนี่ผมทบทวนในเรื่องของอปรัมปราคติแต่ว่าปรัมราคตินั้นมีบทบาทสูงมากในการอธิบายสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผล เ, เราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องแต่งเล่นนะแต่ว่าไม่นะครับโบททุกแห่งในประเทศนี้นะฮะถ้าทําตามปฏิบัติตามขนบเพณีนนการวาดรูปเบื้องหน้าพระประธานนั้นจะต้องเขียนแม่ธรณีบีบมวยผมช่วยพระเจ้าพระเจ้ า, าสังสมบา ร, รมีมามาถึงที่สุดบา ร, รมีเหล่านั้นนะครับประมวลขึ้นมาเป็นพลังลึกลับของธรรมชาติเพราะฉะนั้นการสัตรูอนุตตรสัมมานุโมทียานไม่ใช่ลักษณะจีเนียสหรืออัจฉริยะ ยิ่ยงนักธนิตศาสตร์ยิ่ยงศิลปินผู้ยอดเยี่ยมไม่ใช่นั้นครับอันนี้เราต้องเผื่อนะครับว่าเดี๋ยวเราได้เข้าใจว่าคนที่ฉลาดมากๆรู้เหตุรู้ผลหรือที่เราเรียกกันว่า rationality สามารถคิดอย่างมีเหตุมีผลได้จะเป็นผู้ที่อยู่ ใ, ใกล้ธรรมะมากกว่าเข้าใจว่าจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับยังมีเรื่องของพลังลึกลับของธรรมชาติที่ขึ้นมาสมทบกับบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้า อันนี้มันทำให้เราเห็นว่าเรื่องการได้รับอนุตตรสมาธิวิญญาณไม่ง่ายไม่ใช่ง่ายเหมือนกับเรียนเลขเรียนหนังสือจนได้ปัญญาเอกปัญญาโทอะไรอย่างนี้คนระมันเป็นเรื่องการสั่งสมบารมีมาซึ่งผมได้พูดใแต่ต้นนะครับว่าความรู้เรื่องบารมีธรรมเนี่ยห่างไปถ้าเราลําพังนํำมาเรื่องเหตุผลสามัญมาอธิบายเรื่องนี้นะฮะเราจะอธิบายเรื่องกรณีพระองค์คริมานไม่ได้เลย พระองค์กริมนไม่ได้ปฏิบัติทำเลยนะนึกออกไหมคือไม่ใช่ว่าท่านฟังทำแล้วไปซุ่มปฏิบัติอีกสามสี่เดือนแต่พระองค์กริมนเป็นพระอราหันต์ในขณะนั้นในขณะที่ถูกทักจากพระพุทธเจ้าว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่อยู่แล้วพระกัมพี บ, บอกว่าดวงจริงท่านหลุดพ้นยางอาสวะเลยขนาก่อนหน้านั้นท่านมือชุ่มเลือดครับเราจะอธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลเข้าใจไห้ครั บ, ร บ, รบเพราะว่าเหตุผลคือพัฒนาการทำอย่างนั้นแล้ว ดังนั้นมีเรื่องลี้ลับอยู่ธรรมชาติภระดายหรือกระบวนการโบราณบอกว่าบุญไม่พาวาสนาไม่ส่งบารมีไม่เสริมทํำยังไงก็ไปไม่ถึงเห็นไหมคครได้ยินไหมครับเดี๋ยวนี้จืดจางแล้วเราไม่ค่อยได้ยินแล้วครับแต่บุญพาวาสนาส่งบารมีเต็มยังไงก็ยั้งไม่อยู่เห็นไหมครับติทัตอันนี้ครับสําคัญครับสำคัญสำคัญที่ว่าในทุกแง่ทุกมุมตรงที่ว่าถ้าเราฆ่าคนอื่น ทำรายเบียดเบียนเรากำลังลังควานลังแก่บารมีเขาจะรึเปล่าไม่ว่าในช้างมา้าวัวควายนะฮะสายสัมพันธ์นี้ลุ่มลึกไม่ตื้นเหมือนกับคติที่ว่าเกิดมาแล้วก็จากท้องแม่เดี๋ยวก็ตายแล้วก็จบหลังตายไม่มีอะไรว่างเปล่าก่อนชีวิตเริ่มต้นเมื่อเกิดจบสิ้นเมื่อตายความคิดเช่นนี้นะว่าหลวมมากครับและไม่สามารถนำมาอธิบายปรากฏการณ์ทางจิตวิ ญ, ญญาณได้กรณีปัจจุรปันถกก็เหมือนกัน แต่ของจุลวันทกยังมีช่วงพัฒนาการอย่างน้อยวันหนึ่งพอรับข้อแนะนำแล้วไปนั่งภาวนาอยู่ช่วงหนึ่งแต่กรณีองค์คริมานี้ไม่เลยครับหรือกรณีกรณีของปตาจลาครับหญิงผู้เศร้าโศกความเศร้าโศกตุ่มรุ ม, รมจนเสียสติไปนึกออกในชะ่ไหมฮะที่ลูกสองคนสามีพ่อแม่ตายไปในคืนเดียวเกิดเสียเสียจริตไปเลยแล้วด้วย อคำตรัสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเห็นใจนะั้นซึ่งพระเจ้าไม่ค่อยใช้นะฮะท่านเรียกว่าน้องสาวดูก่อนพักคินนะีแล้วลงแปลเป็นไทยดูนะคือถ้อยคำอันนี้เข้าวไปกํำซาบเข้มไปในใจก็เพราะวปะตาญญราคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวในโลกแล้วครับหมดสิ้นที่พึ่งโดดเดี่ยวในท่ามกลางของมนุษย์ซึ่งไม่รู้จักกันเลยนะครั้นได้ยินคำว่าดูก่อนน้องสาวนะผมเข้าใจตัวเองนะั่นเดาครับเข้าใจว่า คงเรียกสติกลับมาว่าโลกนี้มันไม่โหดร้ายเกินไปละเมื่อมีใครสักคนหนึ่งทำให้ความรู้สึกของเราฟื้นชีวิตขึ้นมาใหม่คือก่อนหน้า น, นั้นไม่สามารถรวบรวมมาได้เลยองค์ุริมานก็เหมือนกันอย่างกรณีของพระพายะอีกที่จับสลูขณะที่จับข้อเท้าอยู่ในตลาดซึ่งเป็นที่มาของเรื่องการมนิสวาสิีนะแต่ว่าการมนิสเขาบอกว่ากามนิสไม่รู้อะไรนะแต่พระพายะท่านจับสรูนะ เป็นพระหัตตรงน้นด้วยนะครับถ้าเราเอาเรื่อง rationality เรื่องกระบวนการเหตุผลมาอธิบายอธิบายไม่ได้ครับแต่ถ้าเรามองไปสู่พลังลี้ลับในธรรมชาติที่ทำให้ฟันเรางอกมาทำให้ผมลงอกทำให้เราบรรลุวุฒิภาวะขึ้นดางขึาทำให้ดวงจิตเราเจิดจ้าขึ้นสิ่งนี้เรามองไม่เห็นตัวกระบวนการอันนี้ครับสาคัญผมคิดว่าพุทธศาสนาที่ มุ่งไปสู่เรื่องเหตุผลล้วนๆท่ายเดียวจะค่อยๆสูญสูญสิ้นพลังไปทีละน้อยเพราะค่อยๆถูกวิทยาการสมัยใหม่ดูดกลืนเข้าไปทุกทีดังนั้นเราต้องเผื่อด้านของผมราไม่อยากใช้คําวารีรับนะครคือกระ บ, บวนการธรรมชาติที่มนุษย์ยังเข้าใจไม่ได้ลองนึกเทียบดูนะครับการที่มนุษย์เติบโตตั้งแต่ด้านวิทยาการโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ มนษรู้แล้วเท่าไหร่ของความรู้ทั้งหมดนี่เรารู้ไม่ได้ถ้าเรารู้ได้ว่าเราจะเริญกี่มากน้อยเราต้องรู้ตัวเต็มมันก่อนใช่ัหมฮะเช่นทางร้อยไม้นี่นะถ้าเราเดินไปยี่สิบไม้เราจึงจะรู้ว่าเดินไปแล้วกี่มากน้อยถูกไหมฮะแต่นี่ตัวเต็มนี่เราไม่รู้ครับเราไม่รู้ว่าความลี้ลับของจักรวาลทั้งหมดเนี่คืออะไรเท่าไหร่เราไม่รู้ดังนั้นเราตอบไม่ได้ว่าวิทยาศาสตร์วิทยาการนี่เราจะเริยนแล้วเท่าไหร่เราไม่รู้ครับ จนกว่าเราจะเจอเอาภูมิปัญญานอกพิภพมาเทียบเราอา จ, จะรู้อีกทีหนึ่งถ้าเราเจอภูมิปัญญานอกวิภพนะแล้วมาสนทนากันแล้วว่าเออเราล้าหลังมาอยู่อย่างไรรวมความว่าห้วงจั ก, กรวาลอันไพศาลนี้นะเต็ไมไปด้วยความลี้ลับเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้แต่มนุษย์ก็เข้าใจได้เท่าที่เงื่อนไขของสมองและการเรียนรู้ของมนุษย์จะเข้าใจได้ แต่เราจะเกิดอหังการว่ามนุษย์เนี่ยรู้อะไรมากแล้วจนกระทั้งว่ามนุษย์ได้พังทลายความลี้ลับลงได้แล้วไม่ได้ครับทุกสิ่งยังลี้ลับอยู่เราพูดได้อย่างไรเราตายได้อย่างไรเรารู้ตัวได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งลี้ลับทั้งสิน้นกล่าวได้นะครับว่าชีวิตทั้งหมดเนี่ยคือความลี้ลับที่เรารู้เนี่ยเราก็รู้ครับแต่เรารู้ด้วยการเทียบเคียงคาว่าลันั่นคือคาว่าเโชนะครับ เราเทียบเคียงการเทียบเคียงนั้นลักษณะที่เฉยนิ่งไม่ทันกับความพลวัตของธรรมชาติเหมือนเราเรียนในเลขคณิตนะว่าสองบวกสองเนสี่ถ้าผมพูดว่าเมฆสองก้อนรวมกับเมฆสามก้อนเป็นห้าก้อนการคิดนี่ถูกครับแต่บางทีในความจริงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมีตัวแปรลมกระโชกวูบเดียกลายเป็นศูนย์ไปเลยก็มีอในธรรมชาติมีพลวัต ีเปลี่ยนแปลงมีตัวปลาที่เปลี่ยนแ ป, งแ ป, งปลแปงอย่างรวดเร็วคตินิยมอันหนึ่งนะคติทัศอันหนึ่งนะที่ว่าท่ามกลา ง, งความเป็นปุตุชนคนทุกขทุกทรมานด้วยอุปาทานกิเลสตัณหาเนนะีมนุษย์สามารถพลิกสถานการณ์อีกด้านหนึ่งได้ไหมในการเอาชนะความทุกข์ถ้าความเชื่ออันนี้ความเข้าใจอันนี้ไม่ไม่มากพอนะเราก็จะกลายเป็นยอมรับสภาพทุกข์และกิเลสตัณหาเรื่อย มีการพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับตรงนี้เองที่เป็นเรื่องของศาสนธรรมที่ลุ่มลึกพระพุทธเจ้าก่อนหน้าตรัสรู้นะฮะเป็นปุถุชนครับแล้วมันน่าแปลกมากครับก่อนการตรัสรู้นะฮะก่อนเที่ยงคืนนี่ท่านเป็นปุถุชนอย่างอย่างมากเลยเพราะคิดตึงลูกคิดตึงเต้าใช่ไครฮะแต่ไม่ได้ความสอบสนแต่อธิษฐานบารมีแรงอธิษฐานวันนี่สูง ในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าเนี่เป็นโสดาตอนไหนไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีใครสามารถอธิบายได้เลยแต่และวพอใกล้สว่างเนี่ยฐานการพลิกผันในด้านเลยก่อนหน้านั้นเจ้าชายนะนักบวชที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอดีตเป็นเจ้าชายนั้นยังไม่รู้ธรรมะครับตอบคําถามคนอื่นไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ปรารถนาการตรัสรู้อย่างรุนแรงแต่ก็ยังไม่รู้ถูกไมัมซ้อนเอนอื่นไม่ได้ในระดับ ที่สุดนะฮะสอนไม่ได้แต่ประกายฐานการพลิกผันเป็นพระพุทธเจ้านี่เออเป็นผู้รู้พระพุทธเจ้าไม่ต้องการการตรัสรู้อีกแล้วถูกไหมครับเพราะว่าท่านถึงที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าสอนได้นั้นสองช่วงนี้สําคัญมากนะฮะถ้าคตินิยมของตนตกเขาจะมองว่าเป็นคนเดียวมาตลอดถ้าท่านไปดูปฏิมากรรมนะศิลปะของกรีกนั้นะเขาจะมองชีวิตของพระเจ้าเนี่ยตั้งแต่ประสูติเป็นเจ้าชาย ในพระราชวังจนออกบวชเราก็เป็นวีรกรรมแล้วก็ตายที่ต้นโพมีสาวกเหมือนกันเรื่องราวของโน้นนย่นหรือมีตัวเอกตัวเดียวตลอดตัวนี้ที่แก่เท่าแสดงอัจฉริภาพคือมองเป็นคนเดียวตลอดแต่ท่าคตีทางนั้นออกไม่เป็นอย่างนั้นนะครถือว่าพระพุทธเจ้ากับเจ้าชายสักคนละคนคนหนึ่งจบสิ้นลงอีกสถานการณ์หนึ่งปรากฏขึ้นทุกย่างก้าวของเจ้าชายสิทธิษฐา ไม่มีไม่รู้ความจริงของชีวิตแต่ทุกย่างก้าวของพุท ธ, ธคือการแจมแจ้งในความจริงของชีวิต <c oughs> ไม่เหมือนกันเลยนะฮะังนั้นเองเมื่อลุ่งเช้าขึ้นมานะครับก้าวย่างที่ทรงเสด็จจงกลมครั้งแรกเนะี่ยเป็นก้าวย่างของพุท ธ, ธที่พุท ธ, ธกยานะครับที่จตุรุ ก, ก็จะทำเป็นดอกโบบาลนะกี่กี่ก้าวเนี่ยผมไม่แน่ใจพระเจ้าโสกรับสั่งนะครับเพราะนี่คือก้าวย่างของพุทธปรากฏขึ้นในโลกแล้วครับ จริงเก้าย่างเจ็ดเก้าในดอกโบบานนะไม่ได้หมายเจ็ดแคว้นนะตีความพลาดเคลื่อนไปเองครับจริงมันหมายพุทธชงเจ็ดเมื่อพุทธะปรากฏพุทธชงปรากฏท่านว่าอย่ น, นัครับผมทะเ ล, ะละอะไงนอกเรื่องเลยทีนี้คิดว่าไปช่วงท้ายแล้วนะครับที่จะเล่าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยให้ท่านผู้สนใจฟังนะครับว่าต่อพินัยกรรมที่ท่านอาจารย์ วางไว้นะฮะต่ออัถิและอังคารคือกระดูกพูภาษาชาวบ้านกระดูกและขี้เท่ามีการตีความกันมากครับซึ่งในการถอยแพร่การตีความนั้นแนวทางหนึ่งซึ่งออกมาจากคุณครูธรรมธาตุผานิทน้องชายของท่านนะครับที่ว่าการให้โปรยกระดูกที่ต้นน้ำตาปีเขาส่ช่องอ่างทองออแล้วก็ เขาประสงค์ว่าเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาทั้งมหายานเทราวาสผมเองต้องขอแสดงความไม่เห็นด้วยนะฮะในที่นี้ผมคิดว่าตามที่ผมรู้จักท่านนี่ต้องมองจากฐานของสุนทรยภาพและความรักในธรรมชาตนะิสำหรับที่เขาประสงค์นั้นไม่น่าสงสัยครับเพราะกระดูกบับรพชนท่านอยู่ที่นั่น มไปที่รู้กันว่าท่านรับท่านสั่งมาตั้งนานแล้วว่ากระดูกท่านไปสุกไว้นในซอกผาซึ่งกระดูกมารดาของท่านอยู่ที่นั่นแล้วบนเขาพู้ทองนั้นนะครับจะมีช่องที่เรี้ยวหน้าตา่างท่านอาจารย์มีระว่างขึ้นมาก็นั่งมองผ่านไปสู่เขาเขาประสงค์ข้าข้เป็นที่ระลึกถึงมารดาของท่านท่านเคยเล่า ว, ว่าเมื่อนั่งรถไฟก็กว่าจะลับสายตาจางยอดเขานั้นก็นานมากได้ดูกระดูกของมารดาไปด้วย ส่วนที่ให้ไปโลยกระดูกฐานเท่าลงที่เขาส่งผมคิดว่าเป็นการความรู้สึกเยี่อเมทีที่ทุกสิ่งอย่างคืนสู่กระแสะธรรมชาติกระแสะธรรมชาติมากกว่าที่เล่าเรื่องพุทธศาสนาแล้วเรื่องพุทธศาสนาในแง่พลังกรดีมยังคลุมเครืออยู่ด้วยครับมันไม่ไม่อาจสรุปได้บั้นปลายของชีวิตท่านนะบบั้นปลายงชีวิตท่านที่ผมยังทันอยู่นั่นหมายถึงว่าผมออกจากสมองมาหลายปีด้วยนะครับ ท่านเคยเรียกผมไปพบแล้วก็ยื่นกล่องกระดาษขนมปังคือท่านมีคนถวายขนมปังให้ท่านเล็กกล่องมันเขียนเป็นรูปนักปราบจีนนั่งอยู่บนเกาะที่มีเก่งจีนสลาง <c oughs> ท่านบอกว่าอาผมคิดว่าเมื่อแก่เท่าแล้วผมอยากไปอยู่ในที่ช่นนี้คือท่านคิดเยี่ยงเมทีครับ <c oughs> เมทีจีนข้อนี้หมายถึงว่าห่างจากภูมเรียงเก่าสนวนโมเก่าไปทางริมทะเลแหลมโพนะคร จะมีแอ่งน้ำที่เป็นเกาะแก่งและที่ดินไม่มีค่าในทางเศรษฐกิจท่านตั้งใจจะซื้อเพื่อเป็นวาระสุดท้ายนั่นท่านบอกผมว่ากุดดินสร้างเกาะก็อยู่ให้สบายใครมาเยี่ยมก็ไม่ให้พบหลีกเล่นแบบเซียนอะไรนองนี้นะหรืออนุญาตเฉพาะคนที่อยากจะไปสนทนาธรรมจริงๆงนั้น การทั้งนี้เพราะว่าที่สวนโมกในช่วงนั้นนั้นเริ่มกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นทีเล็กทีเล็กซึ่งท่านรู้ตัวดีท่านรู้ดีว่าสวนโมกกําลังจะสูญเสียสาระที่ริเริ่มมาแต่ต้นที่ให้ป่าความสงัดความวิเวกเป็นสิ่งที่ขัดเกลาดวงจิตของมนุษย์เหมือนที่เรารู้ว่าเมื่อเราเข้าใกล้ธรรมชาตินะฮะธรรมชาติจะเริ่มขัดเกลาให้เราอนโยนมีความรู้สึกที่นิ่มนวลขึ้น ดังนั้ธรรมชาติเป็นมีความหมายลุ่มลึกในทัศ น, น์ของท่านเ่ยตอนนี้ผมคงจะไม่มีอะไรที่ที่จะนำเสนออีกแล้วนะครับนอกจาก เ, กเล็กเล็กน้อยเกินไปที่จริงไม่พูดก็ไม่มีประโยชน์อะไร <d iam ond as> รอบๆกุฏิท่านนี่จะ ปูกสายหยุดจำปีนางแย้มผมที่ว่านี้เป็นนางลงสุนทรีนหนึ่ ง, งท่านเพรท่านชอบที่จะเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่ในความหมายของเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อประดับบารมีครับแต่เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของสัตว์ครั้งหนึ่งนะฮะท่านให้เนนไปตามผมมาแล้วก็ชี้ให้ดูแม่ไก่กำลังจิกลูกครับจิกแรงๆลูกมันร้องลั่นเลยนะฮะท่านท่านถามผมว่าคุณรู้เปล่ามันจิกทำไม ผมไม่เข้าใจนะครับไม่ไม่เข้าใจมันจิกทําไมเพราะเราผมเองเป็นคนเมืองแล้วก็ไม่เคยใช้ชีวิตแบบชาวบ้านจริงๆรสักทีนทนทนหนึ่งผมบอกนี่ถ้ามันไม่จิกนะลูกจะโตไม่ขึ้นเพราะลูกมันมีนิสัยตามหลังแม่ให้แม่คุยคุยเขี่ยให้กินอยู่เรื่อยจะติดนั้นด้วยอานาจแลความรักในสัญชาตญาณอยากให้ลูกพึ่งตัวเองเจิกแรงๆเหมือนกับเกียดนี่ก็เป็นอะไรบางอย่างที่ถ้าจีบเอาเหตุการณ์เฉพาะหน้ามา ปลุกรเราไ อ, อความรู้สึกภายในให้เราพึ่งตัวเองให้ได้ให้เร็วด้วยจึงจะอยู่รอดปลอดภยัยโพราะคว่าสิ่งนี้สำคัญนะครับอีกสักอันหนึงครับ <laughs> งานประติมากรรมชิ้นสำคัญของท่านอาจารย์คือลานหินโคศิลปวิกรรมธรรมชาติภาบนิสำคัญคนหนึ่งเดินทางนั้นเขาเขายอมรับว่านี่เป็นงาน ที่แปลกง่ายตรงเพลงเลยแล้วบรรลุเป้าหมายทั้งด้านสุนตรีและฝังหน้าที่ใช้สอยลานหินโคง้งทุกคนเคยไปก็จะนึกออกอดไม่ได้นะครับที่ต้องโยงถึงการทำงานของท่านเมื่อสมัยผมไปอยู่ที่นั่นใหม่ๆนี่ท่านอาจารย์หนึ่งชื่อเรียกยังหนุ่มอยู่ก็ได้นะแต่ว่าอายุหกสิบกว่าแล้วท่านยังแข็งแรงขึ้นเขาได้เวลาเขียนรูปฝาผนัง ท่านก็มาตีกรอบให้แต่ว่าในตรงกลางนั้นก็คือคล้ายๆจะแนะนำวิธีทำงานให้ดำรงจิตใจอย่างไรนะถ้าเราเคยได้ยินบทกวีจีนนะอย่างเรามีโครงสีสุภาพของเราบทประพันธ์มีที่เป็นหลักก็คือกรอนครับหรือฉันซึ่งเราได้อทวนมาจากอินเดียมีสัมผัสนอกมีขลุระหูนะฮะ แต่ว่าถ้าเป็นโครงสีสุภาพก็ดีโครงด้านบาดกุญชรก็ดีเราได้รับอิทธิพลจากจีนครับอช่วยนึกถึงอภาพยนตร์จีนสักเรื่องหนึ่งที่เซียนคนหนึ่งเนี่ยเป็นขอทานแล้วก็ถือกลับแล้วก็ร้องเพลงสีจังหวะนึกออกไหมฮะก็ๆๆก็กกกเลยที่ผม <c oughs> ผมตบทวนอย่างนี้เพราะว่าคราวหนึ่งมี การแปลตำราจีนที่สำคัญมากนะครับคิดว่าคุณเป็นงัวจะทราบดีครับสว่างฉายนะซึ่งท่านอาจารย์แปลว่าสว่างฉายที่ท่านแปลยักออกความหมายว่าสว่างฉายแต่ที่ผมจะเล่าไม่ใช่แบบนี้ครับคือผมมองในแง่ของความชาญฉลาดในเรื่อง อ, อักษรศาสตร์ในการแปลงบทกวีสี่คำของจีนเนี่ยมาสู่ไทยให้ได้ความไทยและรักษาเนื้อความธรรมะไว้ได้ แต่ก็ใช้ท่วงจังหวะแบบจีนเป็นนึ่งนี้นะครับแตไ่ไม่ต้องตีเคะจังหวะนะทันใดนั่นแหลสี่คำนะฮะกุมารผู้ชานฉลาดเลิดล้ำยกนิ้วขึ้นหนึ่งไม่กล่าวสักคำธรรมะแท้จริงอยู่เหนือการกล่าวไม่พูดนั่นแหละคือการแสดงธรรมมันแปลได้ไพเราะมากผมเองคนคัดลอกไปที่วัดชนระฐาล์ เาอยากจะจดนิ้วความวดไปที่นั่นเพราะจริงลุ่มลึกแล้วชวนอะไรชวนทบทวนกิเลสนั้นเล่าเปรียบดวลเมฆหมอกขั้นเมื่อวายุพัดผ่านมาพลันจันก้อนวนขาวฉายแสงทั่วทั้งปตผีอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งมีความฉลาดในการถ่ายทอดทั้งชั้นเชิงกวีนิพนธ์ และเนื้อหามาสู่ภาษาของชาติตนของชนชาติตนดูเหมือนว่า น, นี่เป็นปณิธานในงดงามยิ่งท่านที่จะถ่ายทอดสิ่งดีในวัฒนธรรมอื่นนะฮะส่วนใหญ่เรามากักจะคํานึงว่าทําอื่นเป็นประปักษ์กับว่านธรรมของเราเราไม่คัดเฟ้นท่านอาจารย์นั้นด้แปลคําสอน์ฮงโปไว้หลังอะางนะ้ยด้วยชั้นเชิงของนักแปลผู้ผู้ประสงค์จะถ่ายทอดสิ่งดีๆนําเข้าสิ่งดีๆเข้ามาและเผยแพร่สิ่งดีๆ สุดท้ายผมคงพูดเรื่องสิ่งค้างใจท่านอาจารย์นะครับเพราะว่าผมผมฟังแล้วท่านท่านทําไม่ได้ในช่วงอายุ่งท่านสิ่งค้างใจของท่านก็คือวัดที่เบตซึ่งท่านต้องการจะให้พุทธศาสนาแบบที่เบตปรากฏขึ้นในในสวนโมกและทาไม่ได้ครับด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่พร้อมเรือลําที่เป็นถังน้ําหลังที่สองนะฮะ ท่านประสงค์ที่จะให้เขียนเรื่องนารายสิบปางเพื่อควบคู่กับทฤษฎีวิวัฒนาการในโลกของวิทยาการแผนใหม่เพราะนารายสิบปางมีอะไรที่พอจะเปรียบเปรียบเทียบกันได้แต่เป็นการมองพลัแง่มุมครับการสุดท้ายก็คือความประสงค์ที่แทนคุณอินเดียนี้มีอยู่อย่างแรงกล้าครับแต่ท่านก็จบช่วงสมัยชีวิตของท่านเสยกาอ ผมเราทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อจะอวดอ้างว่าผมเองก็อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมมากมายอย่างนั้นนะครับอย่างที่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่มุมที่ผมรับฟังนั้นอาจจะไม่มีโอกาสที่ได้มีส่วนร่วมกับผู้อื่นก็ผมฝึกปรือมาทางศิลปะทางศิลปะเมื่อรับฟังแล้วก็น่าจะเจรจารสู่คนอื่นไม่ได้มีเจตนาที่จะอวดอ้างอะไรเลยนะครับคราวหน้าผมจะพูดตามที่ ที่ประกาศไว้เรื่องชาติพันธุ์ของพระพุทธเจ้าตามเขาความคิดของท่านอาจารย์สุโมชาติพันธุ์ของพระเจ้านั้นไม่ได้หมายนในความหมายลุ่มลึกเป็นประมัดที่ว่าทุกคนคือพุทธะถ้าพูดอย่างนี้จบเลยไม่ไมีเรื่องแต่ชาติพันธุ์จริงๆครับตามหลักชาติพันธุ์วิทยาที่ว่าท่านอาจารย์ท่านไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นอรยิยนครับซึ่งนักปราชญ์ทั้งโลกที่ใส่ใจเรื่องนี้ถือว่าองค์พระเจ้านั้นมีสายพันธุ์ทางอาริย์ คือตนตกนะเพราะมีพระจักพยานในพระบาลีว่าเราแลคืออารยันนะท่านติงว่าอารยันคำนี้แปลผู้เจริญเท่านั้นคืออริยกะไม่ได้หมายถึงเผ่าอารยันแต่จะเป็นเผ่าไหนก็ค้างไว้งวดหน้าครับขอบคุณที่อาทนฟัง ครับยินดีครับน่าเก่านะครับเซนครับเราก็ได้ฟัง <c oughs> สุนทรียภาพ อ, อาจารย์อย่างเต็มเปี่ยมนะครับในด้านของสุนทรียภาพนี้แต่เป็นคำถามที่ที่จะถามนี่ก็เป็นเกิ่งทัศนะอะไรก็ตามนะก็เลข้อสงสัย จะเป็นคำถามก็คงจะเป็นปัญญาที่มีอยู่แล้วในการเรียนการศึกษาที่เกี่ยวกั บ, กบว่าความงานมีอยู่จริงหรือไม่โดยสภาวาอะอันตรนองนี้นั่นเป็นประเด็นหนึ่งนะครับว่าค<ช>วามศิลปะภาพหรือความงานมนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาติหรือไม่หรือแต่เป็นเพียงจิตที่เราไปรับรู้ด้วยความรู้สึกที่เป็นตันหะก็ดีราคากดีนันทิก็ดีหรือโดยฉันทคก็ดีที่ประกอบกับ ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องของจิตเองนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาปรัช ญ, ญาพื้นฐานทั่วไปที่แต่พิเตี้่วมีความคิดต่อว่าพิว่าสมปริยภาพนั้นถ้าไม่มีอยู่จริงเราเองในฐานะที่อาจารย์แล้วก็เราก็ทุกคนเห็นความสมปริยภาพในลัทนานั้นมีอยู่แล้วก็นี่กลายเป็นว่าเราหลงในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งเป็นเพียงเด็ดจิตที่แต่เป็นปัญหาก็ดีรายนันทิก็ดี แต่ถ้าหากว่าสุนทิภาพนั้นมีอยู่จริงในธรรมชาติเราก็ต้องอ่ากล่าวได้ว่าสุนทิียภาพนั้นไร้แก่นสารถ้ามันเองอยู่กับธรรมชาติคือสิ่งทั้งตวงนั้นมีมีสุนทรภาพอยู่จริงโดยเหตุที่สุนทรภาพทั้งตวงอาศัยสิ่งทั้งตวงนั้นโดยที่เหตุที่เราทราบว่าสิ่งทั้งตวงนั้นเองนั่นก็ไร้แก่นสารนะครับเนื้อตาประเดียนนตาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไร้แก่นสารมันก็มีอาจกล่าวได้โดยผิดไปว่า สุนทรภาพทนเช่นถ้าเช่นนั้นสุนทรภาพนั่นเองก็คือสิ่งที่ไร้แก่นสารไปด้วยนะครับแต่ทีนี้ว่าทั้งสองนี้สุนทริภาพก็ดูเหมือนว่ามันกําลังหลอกล่อเราด้วยความสุนทรภาพของตัวมันเองนั่นเองว่าเราเหมือนกับเซนตะข่ายสีท้องนี่ทางอาจารย์วัดตะข่ายอัสีสวยๆที่มันจะคุมความคิดหรือจิตของเราเองหรือเปล่าหรือ เ, เพียงแต่ว่าเราพูดในใต้ในฐานะของโลกโลคีวิสัยเท่านั้นนะครับถ้าเช่นนั้นในฐานะที่อาจารย์แล้วก็เราก็เห็นความสุนทรภาพ ธรรชาติเหล่านั้นเราควรจะให้คำอธิบายว่าคนรจะอยู่ในฐานะใดเขากลับไปจริงทั้งหมดเป็นคอธิบายหมดแล้วครับที่ที่เล่ามนทั้งหมดนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะให้ข้อสรุปจนทุ่วันนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะให้ข้อสรุปได้เลยไม่ว่าในเรื่องสมทรีศิลปะแม้แต่เรื่องความรักว่ามีจริงหรือไม่นะครับมีหรือไม่มีเป็นปัญหาที่ที่ขั้วต่างที่ที่จะยุติไม่ได้เลยนะครับ